เ่านะว่าวัยรุ่นคนหนึ่งไปซื้อบุหรี่ลุงซึ่งเป็นเจ้าของร้านทอนเงินให้40บาทตอนที่วัยรุ่นนั้นซื้อบุหรีนะ่เนี่ยก็ยื่นเงินไปให้100หนึ่งนะบุหรี่มันก็70ทจริงก็นา้ทอนไป30บนะแต่ว่าแก คงเผลอไปนะทอนไป40่วัยรุ่นคนนั้นก็ที่แรกก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชีนนะกําลังจะเดินออกจากร้านก็ได้ยินเสียงลุงเนี่ยตะโกนบอกว่านะกลับมาเกาะนะแกลืมบุหรี่เอาไว้ลืมซองบุหรี่เอาไว้ไวัยุ่นคนนั้นก็เลยกลับไปเอาบุหรี่ แล้วก็เห็นว่าเออลุงคนนี้คนดีนะมีน้ำใจก็เลยคืนเงินนะ บ, บาทให้บอกกับลุงว่าเนี่ยเมื่อกี้ลุงทอนเงินเกินมา10 บ, บาททรนะาบซึ้งน้ำใจที่ลุงเนี่ยอุตส่าห์เรียกมาเอาซองบรีก็เลยคืนให้10 บ, บาท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 ก็ขอขอบคุณใจนะแล้วก็ก็จะเดินไปนะลุงแกก็บอกว่ า, าให้ระวังนะของมีค่านี่ให้ระวังเอาไว้แล้วก็คืนกระเป๋าเงินมาให้ลุงนี่ไปล้วงกระเป๋าเงินจากหนุ่มคนนั้นไปเมื่อไรไม่รู้นะ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 แต่ว่ามันก็มีสาระของมันนะเพราะว่าพอคนหนึ่งเนี่ยเาเริ่มทำความดีให้ ก, กับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เริ่มทำความดีเป็นการตอบแทนตอนที่ลุงเนี่ยแกจ่ายเงินทอนนะเกินไป10บาทนะแทนที่จะทอนสี่สามสิบก็ทอนสีเนี่ย ลุงมคนนั้นก็คิดจะโกงแล้วนะแต่เปลี่ยนใจนะพอลุงเนี่ยมาบอกว่าลืมซองบริเอาไว้นะให้มาเอาคืนนะพอได้ไปแกก็เออลุงเขาดีนะก็เลยคืนเงิน10บาทให้พอลุงได้10บาทคืนก็ดีใจนะ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 ลุงก็ยิ่งดีใจใหญ่นะเอออันนี้มันคนดีเมื่อกี้ลุงกระเป๋าเงินก็เลยคืนให้นะพอลุงกระเป๋าคืนไห้ไอ้ห น, นุ่มคนนั้นก็ก็ยอมคืนสร้อยคอมอ่ะสร้อยมือทองนะของคุณของลุงคนนั้นเนี่ยต่างคนต่างก็คิดจะหาประโยชน์จากกันนะแต่สุดท้ายก็ยอมที่จะ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 ที่เราสวดพาหุงมอสักครู่นีนะ่ก็เป็นเรื่องของชัยชนะของพระพุทธเจ้าแปดประการชัยชนะของพระองคนะ์ที่กระทําต่อคนสัตวนะ์มารพญานาคยักษ์แล้วก็พระพรหม คนนี้ก็มีตั้งแต่นะองคุลิมาณางจินจามาวิกาสนะัตว์นี่ก็ช้าง น, ะนาราคิรีนาราคิรีก็หมายจะทำ้ายพระพุทธเจ้านะถึงตายนะแต่พระองค์ก็ชนะด้วยเมตตานางจินจามาวิกานี่ก็พยายามที่จะใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่าทำให้ตัวเองท้องนะทำลายชื่อเสียง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 ไม่ควรสวดเพื่อเอาความคลัง่งความศักดิ์สิทธิ์นะบางคนก็มีความเชื่อว่าถ้าสวดนะสวดทุกวันทุกวันนะก็จะรอดพ้นจากอันตรายเอาชนะมารเอาชนะศัตรูได้นะที่จริงอันนี้ก็อันที่ส์ของการสวดนี้ก็มีอยู่ในบทสวดนี้นะอย่างที่เมื่อวานนี้เราแปลเนี่ยก็จะมีข้อความต่อสุดท้ายว่าเนี่ยถ้าสวดทุกวันนะก็สามารถจะ มีช้ยชนะเหนือศัตรูประสบความสุขความเจริญได้าที่ก็ส่วนเนี่ยเพื่อให้ใจสงบแต่ถ้าเรารู้ความหมายเนี่ยแล้วเราทำตามนะก็ะจะได้บทเรียนได้ข้อเตือนใจว่าต้องใช้ธรรมะนี่เอาชนะศัตรูนะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีฤทธิ์อย่างพระพุทธเจ้านะที่สามารถจะเอาชนะ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 คนที่เขาเห็นแก่ตัวคนที่เขาเอาเปรียบนะคนที่เขาดุด่าว่ากลนะ่าวยังมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยชื่อโจนจันใดนะตอนนี้ก็มีชื่อมากนะเป็นนะเป็นคนที่บุกเบิกเรื่องการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายโดยการนะพึ่งตัวเองปลูกผักนะทำบ้านดิน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 หากินในเมืองได้ไปเป็นพนักงานทำความสะอาดในโรงแรมก็ไปโรงแรมหรูนะแต่ว่าเจ้านายเขาเนี่ยก็บอกไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยเห็นหน้าก็ด่าเลยดา่ดาๆๆนะไม่มีใครชอบสักคนแต่ก็ต้องยอมทนนะวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ให้ไปให้โจเนี่ยไป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 นะยิ้มให้ด้วยโง่หรือเปล่านะอะไรให้เขาขมให้เขาขี่แต่ว่าจนก็ไม่สนใจก็ทำไปเป็นเดือนนะจนทั้งวันหนึ่งแม่บ้านก็มาก็เรียกเขาไปถามาเนี่ยทันสงสัยไงเวลาฉันด่าเธอเนี่ยทำไมเธอถึงยกมือไหว้ฉันนะแล้วก็ยิ้มให้ฉันนะจนก็บอกว่าเนี่ยก็ขอบที่ไว้ก็พราะขอบคุณไงขอบคุณที่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 แต่ถ้าด่าด้วยคำพูดนี้ก็ทำให้เกิดการทะเลาะบบาแววงกันหนักขึ้นเเวลาเราเวล า, เาศึกษาธรรมะเราเราสวดนะบทพาหุงเนี่ยนะก็ให้เรานะึกอยู่เสมอว่าการใช้ท่าหูจ้าเนี่ยมันสามารถจะเป็นชัยชนะของเราได้ถ้าเราทำตามพระองค์นะดยการใช้ธรรมะนะดยการใช้ความดีนะ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 แวะมาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนใหม่นะเราก็บอกว่าเนี่ยผมออกไปข้างนอกเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นผลไม้มน่ากินก็เลยซื้อมาฝากคิดว่าคุณคงชอบเจ้าหมอั่นเนี่ยชื่อเปียกเนี่ยสมมติชื่อเปียกทีแรกก็ตกใจนะก็ทำหน้าไม่ถูกนะเพราะไม่เคยรู้จักกันเลย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 นะเปี๊ยกเลยบอกว่าไม่ได้ไปไหนหรอกนะมันก็อยู่ในร้านเนี่ยล้วก็ชี้ให้ดูนะเอาป้ายเก็บเข้าไปในร้านแล้วอา้าวทาไมเฮียไม่มาวางไว้เหมือนเก่านะที่หน้าร้านนะเปี๊ยกก็บอกว่าเกรงใจนะบางหน้าร้านเฮียนี่มันนะมันจะลูกค้าจะมองไม่เห็นนะวางไว้อย่างนันมันน่าเกลียดนะเอามาเก็บไว้ในร้านดีกว่า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 ทำความดีกับเขาพอเราทำดีกับเขาเนี่ยมันก็ไปปลูกพลังความฝ่ดีในใจเขาขึ้นมานะทำให้อยากจะทำดีด้วยแล้วก็เหมือนกับที่วัยรุ่นคนนั้นคือเงินน ะ, อะพอวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยได้ได้ซองบุหรี่นะจากลุงแกก็เอออยากจะทำความดี ตอบแทนก็คืนเงิน10บาทให้นะอันนี้นเป็นเรื่องที่เราสามารถจะเจอได้ในชีวิตประจาวันนะทานนี่มันเป็นเรื่องช่วยสมานน้ำใจนะช่วยดึงความดีออกมาจากใจของผู้อื่นแล้วก็ดึงความสุขมาจากใจเราด้วยนะเมื่อเราทำแล้วเราก็มีความสุขเรื่องทานนี้ก็ควรทำกันทั้งนั้นนะ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 หลวงพระพุทธานิโยนี่ท่านน่าสนใจนะตอนที่ท่านเป็นเนนนท่านบวชในทีนน่ต่าเล็กนะเป็นเด็กกําพร้ายากจนมาบวชเนนวันนึงฉันข้าวเสร็จนี่กําลังล้างบาตรอยู่ก็เห็นมีหมาหมาพร้อมจรจัดนะโซเซโซซัสโซเซมาเหมือนกับว่าไม่ได้กินอาหารมานานท่านก็ไม่รู้จัก อ, อาหารที่ไหนให้นะเพราะว่าล้างบาตรเสร็จแล้ว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 กินจนมีเรื่องมีแรงเลยนะแล้วก็มันก็ขอบคุณนะมันก็รู้สึกขอบคุณเนนเนนพุทธด้วยเนนไปไหนก็เดินตามมันมีเรื่องมีแรงแล้ววันนี้เนนเขามีเมตตามากนะอาหารไม่มีนี่พร้อมที่จะสละอาหารในท้องเนี่ยนะให้หมาเลยก็เป็นการว่าวันนั้นทั้งวันเนเนนก็หิวเลยนะ เพราะว่าอาหารเก่าอาหารใหม่ออกมาหมดแล้วแต่นี่ก็แสดงน้าใจนะไม่มีอะไรให้ก็เอาอาหารนี่แหละอันนี้ก็เป็นเครื่องฝึกใจได้เหมือนกันนะยิ่งถ้ามีเงินแล้วยิ่งต้องให้นะเมื่อสีกห5ปีก่อนนี่มีข่าวพระรูปหนึ่งเป็นกิจิอาจารย์มรณภาพบอกว่าพอไป ไปเก็บของในกุฏินี่พบเงินเป็นธนบัตรแบงค์เล็กแบง์น้อยนะ10บาท20บาท1 0อยบาท500บาทสมัยนั้นคงยังไม่มีแบง์พันซุกซ่อนอยู่ในกุฏินี่รวมแล้วนี่ประมาณ20บกว่าล้านบาทใช้เวลานับเป็นวันเลยนะหลายคนฟังก็สงสัยโอ้ท่านเอาเงินมาจากไหนนะ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 อ น, น้นอกจากทานแล้ศีลนี่ก็สำคัญนะศีลที่เรามาถือศีลกันเนี่ยนะก็เพื่อฝึกฝนตนนะการถือศีลในวันพระเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเท่านั้นนะแต่ว่ายัางเป็นการเจริญเนคขมบา ร, รมีด้วยบา ร, รมีของพุทธศาสนามีสินะสามข้อแรกคือทานศีลเนคขมะศีลนะกันเนคขมะมันต่างกันอย่างไรนะ ศีลก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะส่วนในขมมะจะว่าไม่เบียดเบียนตัวเองก็ได้นะเพราะว่าถ้าหากเสพมากไปนะกินมากไปนี่มันก็เบียดเบียนตัวเองนะคนที่หมกมุ่นแต่ในกามนะถึงแม้ว่าจะไม่ผิดศีลหเพราะว่ า, าการเสพกามนี่ก็เสพกับคู่ครองตัวเองเนี่ย แต่ถ้ามันไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนมั่ง ม, ม, นนะ ม, ม, มันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพการกินก็เหมือนกันนะกินวันละหลายมื้อห้ามื้อมันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี้ก็คนเราก็เจ็บป่วยเพราะการเสพมากเกินไปนั่นแหละสีนห้านี่ยเป็นเรื่องการไม่เบียดเบืนผู้อื่นนะสินแป8เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการฝึกตนให้อยู่แบบเรียบง่าย ไม่ไปพึ่งพิงไม่ไปพึ่งความสุขจากกรามนะไม่พึ่งกรมมาสุขมีคนหนึ่งก็เขียนจดหมายมามาถามว่ า, าการถือศีล น, นะศีลแดเนี่ยโดยขอข้อที่3เนี่ยการไม่เสดเมถุนหรือว่าเมถุนวิรัตเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าได้ได้ยินว่ามีคนหนึ่งก็ก็ถือศีล8ไม่ยุ่งกับเมียนะในวันพระ ขาบาวเนี่ยทำแล้วเนี่ยทำให้มันมีพลังนะการที่ไม่ไม่เสดไม่ทุนนะมันทำให้เกิดพลังขึ้นมามีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเพราะถ้าเสดไม่ทุนเนี่ยมันเสียพลังไปจริงๆจุด ม, มุ่งหมายการถือศีล8ปนดะในข้อข้อสเนี่ยมันไม่เกี่ยวเรื่องพลังนะแต่เป็นเรื่องการฝึกจิตไม่ให้ไปพึ่งพิงกับการมาสุขคนเราต้องการความสุขนะแต่ว่าความสุขเนี่ยถ้าไปพึ่งพิงความสุขจากการมเนี่ย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 อยากจะดูหนังฟังเพลงนะอยากจะเห็นของสวยของงามอันนี้มันยังมีความหลงความไหลยอยู่นะแต่พอได้ อ, อยู่กับความเรียบง่ายนะจากการถือศีล8ปนดะจิตใจก็เริ่มจะสงบลงนะแล้วก็พบว่าการที่อยู่แบบง่ายๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นศีลข้อสอภรมจริยาศีลนะข้อ6นะ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 แต่เพื่อเป็นการขัดการจิตใจของเราให้ประนีตนะให้เราเนี่ยไม่เสพติดในการมมาสุขรู้จักวางมันลงแล้วก็เพื่อจิตใจเราจะได้เป็นอิสระและสามารถจะเข้าถึงความสุขที่ประนีตที่เป็นกุศลที่ช่วยส่งเสริมการทำความดีให้งอกงามมากขึ้นแล้วมันก็จะไปส่งเสริมภาวนานะพอได้พบกับเนคขมมาสุขแล้วก็จะมีแรงส่งนะ